คงได้ยินหมอชีวะกะกมรพัทนะชื่อนี้สำหรับคนที่อยู่ในวงการแพทย์แผนไทยรู้จักดีนะหมอชีวกนะเรียกสั้นๆท่านเนี่ยเป็นคนกรุงราชครื้ไปเรียนการแพทย์ที่ตักศกิลาไกลามากนะไปเรียนอยู่7ปีก็ยังไม่รู้เลยว่า เรียนจบแล้วหรือยังนหนึ่งก็เลยถามอาจารย์ว่าผมจะต้องเรียนนานอีกเท่าไร่ความรู้ที่มีอยู่พอหรือยังอาจารย์ก็เลยต้องการสํารวจนะต้องการวัดผลว่ามีความรู้แค่ไหนก็เลยบอกให้ท่านชีวกเนี่ยไปสํารวจดูนะพื้นที่รัศมี1โยธ รอบเมืองตะกศิลาเนี่ยมันมีอะไรที่ใช้ทำตัวยาไม่ได้บังท่านก็มีจอบมีเสียมนะก็ไปดูไปสำรวจต้นไม้ทุกชนิดนะในพื้นที่รัศมีหนึ่งโยชน์นะก็ใช้เวลาอยู่นานแล้วกลับมารายงานว่า ไม่มีอะไรเลยนะที่ใช้ทำเป็นยาไม่ได้อาจารย์ก็เลยบอกว่างั้นเธอก็สำเร็จการศึกษาแล้วนะกลับไปได้กลับไปบ้านเกิดเมืองนอนได้ท่านาชีวะกะเนี่ยนะท่านมีความรู้มากนะถึงขั้นที่พบว่านะพืชนะทุกชนิดที่เห็นอยู่เนี่ยมันล้วนแต่มีประโยชน์ใช้ทำเป็นยาได้ทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็น ว่ชพืชยาคาอุตพิดมายาะหาพวกนี้นะซึ่งใครๆนะรงเกียจแต่ว่าท่านก็สามารถจะมองเห็นคุณประโยชน์ที่จริงเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะนะพืชที่อยู่รอบรัศมีหนึ่งโยชนนะรอบกรุงตกัศิลาที่มีประโยชน์นะต้องเรียกว่าทุกอย่างในโลกเนี้ยมันมีประโยชน์ทั้งนั้น ไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมานะอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นแล้วรู้จักมันดีแค่ไหนนะความยากลำบากอุปสรรคความพิการพวกนี้ใครๆก็มองไม่ดีแต่มันก็มีประโยชน์นะนะคนที่พิการเนี่ยเขาก็สามารถจะพัฒนาความสามารถของ ร่างกายส่วนอื่นนะให้ดีได้อย่างที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยคนที่หูหนวกแต่ก็สามารถจะรับฟังเสียงผ่านเท้านะนะที่เหยียบบนพื้นได้คนตาบอดบางคนที่หูดีมากสามารถจะเดินไปโดยใช้การกระดกลิ้นหรือดอเสียง เวลาเจออะไรที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเสียงมันจะสะท้อนกลับมาเข้าหูเขาเขาจะรู้เลยว่าอ๋อไอ้ข้างหน้าเขานี่เป็นเสารหรือรถยนต์หรือคนเนี่ยเพียงแค่ใช้วิธีการดอกลิ้นนะหรือว่าอดอกเลอยลึกส่งเสียงหูนี่มันก็หูข้างข่าวเลยเพราะฉะนั้นสามารถจะเดินหรือแม้แต่วิ่งหรือแม้แ้งขี่จั ก, กรยานได้โดยที่ใช้วิธีการกระดกเลยหรือดอกลิ้นเนี่ยนะ อันนี้นก็เป็นความสามารถพิเศษที่เกิดจากความพิการนะของอายตนะบางส่วนที่จริงแม้กระทั่งกิเลสนะกิเลสเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะถ้าใช้ให้เป็นนะอย่างเช่นตัณหาความอยากเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะท่านอนาถติปิกาเศรษฐีเนี่ยมีมีลูกนะแต่ท่านสอนไม่ได้ ตัวท่านเป็นโสดาบานแล้วแต่สอนลูกไม่ได้ลูกไม่สนใจธรรมะท่านานานามินติกกเลยจ้างลูกให้ไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าที่เชตวันนะพอลูกเนี่ยได้ข้าจ้างก็ไปสิแต่ไปฟังแล้วก็ไม่ได้ฟังจริงจังหรอกนะเป็นนั่งอยู่ตรงนั้นแต่ว่าใจลอยคิดโน่นคิดนี่ กลัมก็แบงมือของเงินพ่อแต่ตอนหลังเนี่ยวันหลังๆเนี่ยพ่อก็เลยถามว่าพระพุทธเจ้าเทศอะไรบ้างก็ตอบไม่ได้ก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าตอบได้ก็จะให้นะให้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นนะก็เลยกระตือรือร้นที่จะไปฟังเทศจากพะพุทธเจ้าพยายามตั้งใจฟังเพื่อที่จะได้มารายงานผลให้พ่อจะได้เงินไงแต่พระอต้งเนี่ยก็ ค่าบันดาลให้ลูกชายคนนี้ตั้งใจจํายังไงก็จําไม่ได้นะก็เลยต้องตั้งใจเป็นพิเศษพอตั้งใจฟังเป็นพิเศษเพราะความอยากจะได้เงินรางวัลเนี่ยก็ทําให้เข้าใจธรรมะแล้วก็สามารถจะบรรลุธรรมได้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าบรรลุธรรมได้เพราะว่ามีจุดเริ่มต้นคือตัณหานะ คือความโลภหรือความอยากอยากได้รางวัลนะพ่อกระฉลาดนะก็รู้จักใช้กิเลสของลูกเนี่ยเป็นสื่อที่จะทำให้ได้มารู้จักธรรมะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะมันมีพระเซนรูปหนึ่งที่มีชื่อนะชื่อท่านฮากุอินนะท่านเป็นพระที่วาดรูปเก่งแล้วก็เขียนตัวอัสือภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นได้งดงามวันหนึ่งเนี่ยก็มี ลูกศิษย์มาปรึกษาว่าเนี่ยพ่อเนี่ยเป็นคนที่โลภมากนะคิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองไม่สนใจธรรมะเลยเอาแต่ทำมาหากินนะอยากได้เงินเยอะๆทำไงถึงจะมาสนใจธรรมะให้ท่านหากุยอินช่วยหน่อยท่านหากุอินก็บอกว่างั้นเดี๋ยวจะลองดูนะไปบอกพ่อนะว่านะถ้าหากว่าพ่อเนี่ยเขียนนะ เขียนด้วยผู้กันนะคำที่เป็นมนสารเสริญพระอมิตาพระ่าเขียนได้ตัวหนึ่งนะจะให้เงินหนึ่งอีแปะนะพ่อก็เลยสนใจขึ้นมาเพราะอยากได้เงินไงแทนที่จะเอาแต่ค้าขายก็หันมานะหันมาเขียนหันมาเขียนเนี่ยมนเนี่ยที่สารเสริญนะท่านอมิตตาพพุทธะนะเขียนใหญ่เลยนะ นะเขียนเป็นปึกเลยนะแล้วก็มาหาท่านหากักวีนักวีท่านกีนก็ให้เงินนะยิ่งเขียนใหญ่เลยเขียนไปเขียนมาจิตเป็นสมาธิพอเป็นสมาธิเข้าเนี่ยก็พบว่าโอสมาธินี่มันวิเศษมากนะมันมันยิ่งมันให้ความสุขยิ่งกว่าเงินทองสิก็กลายไปว่าตอนหลังเนี่ยนะไม่เอาเงินและนะไม่เอาเงินและนะขอเขียนด้วยความสมัครใจ แล้ต่อหลังก็ก็เลยนะมาฟังทำนะจากท่านทากุอินแล้วก็กลายเป็นอุปทากนะกลายเป็นคนที่บริจาคเงินสร้างวัดส่งเสริมเรื่องศาสนาเนะี่ยของท่านทากุอินนี่ก็เรียกว่าใช้กิเลสนะใช้กิเลสเนี่ยล่อให้พ่อค้าคนนิหันมาสนใจธรรมะไม่ใช่แต่ตันหานะ ไอตัวมานะหรือตัวอัตตาเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะถ้าเราใช้ให้เป็นเนี่ยอย่างพระุทธเจ้าเนี่ยมีพระนุชาเนะชื่อว่าชื่อนันทะนันทะนี่ก็เป็นลูกพระเจ้าสุดท OTH น, นะแต่เกิดจากาพระแม่นาะประชาบดีเมื่อนันทะนี่จะจะแต่งงานเนี่ยก็นิ ม, มนต์พพุทธเจ้ามามาคล้ายๆว่ามา มาทำบุญเลี้ยงพระนะนะพอผู้เจ้าฉันเสร็จก็บอกให้นันทานี่แนะบอกว่าช่วยถือบาทไปส่งที่สำนักหน่อยพิธีแต่งงานนี่ยังไม่ทันจะเริ่มเท่าไหร่เลยนะนันทานเนี่ยก็เกรงใจนะจริงๆก็คิดถึงนะคู่มั่นแต่ว่าผู้เจ้าเนี่ยนะเมื่อสั่งว่าเนี่ยให้ถือบาทนะไปที่สำนักก็ยอมถือไปถือไปเสร็จก็คิจะกลับแล้วนะ พุทเจ้าก็ชนบวชก็เก่งใจนะก็เลยต้องบวชนะระหวงที่บวชเนี่ยนะก็มีความทุกข์มากเลยนะเพราะคิดถึงคู่มัน่นนางชนบทกาลยา น, นีพุทเจ้าก็เลยบันดาลให้เกิดนิมิตเห็นเทพธิดาซึ่งสวยงามมากนันทาเห็นเนี่ยโอ้ยพรนันทาตอนนี้เป็นพระแล้วเห็น เทวดาเนีเทพธิดาสวยงามยิ่งกว่านางชนบทกล ย, ยานนี้อีกก็เกิดหลงไหลและถามผู้จ้าว่าเนี่ยทำไงถึงจะได้นางชนบทกลยานทำไงถึงจะได้เทพธิดาเหล่านี้ผู้จ้าบอกก็ต้องทําความเพียรก็คือทําสมาธิภาวนานะด้วยความอยากได้นะเทพธิดาเหล่านี้นะซึ่งสวยงามมากก็เลยนะเริ่มหันมาทําสมาธิทําไปสักพักหนึ่งนะก็มีพระ มีพระเพื่อนพระเนี่ยพูดเข้าหูว่าเนี่ยที่มาทําความเพียรเนี่ยก็เพราะว่ารับจ้างรับจ้างพระ เ, เจ้ามาพูดเข้าหูเข้าก็รู้สึกอายนะรู้สึกอับอายเสียหน้าไอข้ขติยะมานะเนี่ยนะความเป็นหรือว่าอัตตาของคนเชื้อสายกษัตริย์เนี่ยนะเมื่อมีคนมาพูดในทํานองดูถูกแบบนี้ก็เกิดฮึดฮัดขึ้นมาบอกแล้วก็เลยไม่บอกว่าไม่สนใจแล้ว นะเทพพิดองเทพพิดดาไม่สนใจแล้วจะขอทําขอจะปฏิบัตินะจะได้พูดไม่ได้ว่ามารับ จ, าจ้างพู้ศรัทธานะคราวนี้ก็เลยตั้งใจปฏิบัตินะจนทั้งบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์เลยอันนีเ้เรียกว่านะเป็นพระอาหารหันต์ได้ก็เพราะว่ากิเลสนะอ่านะชักจูงเข้ามาไม่ว่าจะเป็นตัณหาอยากได้เทพพิดดาแล้วก็มานะความรู้สึกเสียหน้านะที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันนะ พูดจาล้อเลียนนะดูถูกนะอักิเลนเนี่ยจริงมันก็มีประโยชน์นะนะถ้าหาว่าใช้ให้เป็นแต่ส่วนใหญ่ในกิเลมันมันใช้เรอมากกว่าที่เราจะใช้มันเวลาเราพูดเรื่องอัตตาเนี่ยนะอัตตาตัวกูเนี่ยที่จริงมันก็ไม่ได้แย่ไปหมดนะมันก็มีข้อดีเหมือนกันแล้วข้อดีก็เยอะด้วยไอความอยากจะเป็นคนดีเนี่ยนะมันก็มีประโยชน์นะ มันทําให้เราเนี่ยสนใจธรรมะทำความเพียรแม้กระทั่งที่พูดเมื่อวานยกตัวอย่างว่าคนที่เขาเป็นโปลิโอนะแล้วเขามาได้คิดว่าเนี่ยเขาไม่อยากจะใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยจมอยู่กับความทุกข์ความสมเพศตัวเองเนี่ยทำให้เขาเนี่ยสามารถจะหลุดจากไอ้ความทุกข์ความความความโกรธ ในชะตากรรมเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่อ ง, อ, งอัตตานะฉันไม่อยากจะทุกข์นะฉันไม่อยากใช้เวลาอยู่กับความทุกข์อีกต่อไปแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องตัวกูเลยแหละนะหรือแม้กระทั่งที่เราเนี่ยนะอยากจะมีชีวิต ท, ที่ผาสุขในความที่อยากความคิดว่าฉันอยากจะมีชีวิต ท, ที่ผาสุขเนี่ยนะมันก็อัตตาเหมือนกันนะแม้กระทั่งคาถาของท่าเจ้าพุทธที่บอกว่า กูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกโว้ยเนี่ยอันนี้ก็อัตตานะแต่ถ้าเราใช่เป็นเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยพัฒนาตนนะแล้วก็สลัดความทุกข์ออกไปจากจิตใจได้การอยากจะเป็นมิกฉาตัวเองนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของอัตตาเหมือนกันนะงนั้นอัตตาพิมก็ตราบใดที่เรายังไม่ไม่สามารถจะลดไม่สามารถจะไม่สามารถจะ เออเลิกนะหรือปล่อยวางความยึดมั่นอัตตาได้เนี่ยเราก็ต้องรู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์นะแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือว่าเรามักจะถูกอัตตาเนี่ยมันใช้เรามากกว่านะมันบงการจิตใจเรานะให้เป็นทุกข์ให้อิจฉาให้โกรธนะเวลาถูกตาหนิมันบงการให้เราไปด่าเขามันบงการให้เราอ่านะไป เล่นงานคนอื่นอันนี้ก็เพราะว่ามันใช้เรานะแต่ถ้าเราใช้มันเนี่ยนะมันโดยที่เรามีสติรู้ตัวเนี่ยมันก็สามารถจะเป็นแรงผลักนะให้เรามีการพัฒนาตนได้อย่างที่เรามาที่นี่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็เพราะไอ้ความที่ยังมีอัตตาอยู่นะอยากจะเป็นคนดีเป็นคนมีความสุขนะ ไอ้พวกนี้นั่นก็คือตัวอัตตาที่เป็นแรงขับเคลื่อนเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปอย่าไปมองว่าไอ้อัตตานี่มันสิ่งที่เลวร้ายไปหมดนะมันอยู่ที่ว่าเราจะรู้ทันมันแค่ไหนและเราจะาสามารถจะควบคุมมันอย่างไรเวลามันชูหัวชูคอขึ้นมานะเมื่อถูกวิพากวิจารเนี่ยอ่ะเราก็รู้ทันนะเวลามันไปยึดมั่นถือมั่นว่านี่นะ นี่เป็นของเราเป็นของเรานะอย่างที่สุยพูดนะเมื่อเนี่ยแบบยึดว่าทางจงกรมเป็นของเราอ่าพอเรารู้แนะนี่อัตตาแล้วนะพอมีสติเห็นอัตตาตัวนี้เนี่ยนะมันก็ทำให้อ่าไ อ, อ้ตัวตานี่ไม่มาครองใจเราได้สิ่งที่เราต้องทำาคือว่ามีสติรู้ตัวนะแล้วก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์จริงๆถ้าจะพูดว่าอัตตาเนี่ยนะเป็น เป็นบ่าวที่ดีเป็นนายที่เลวก็ได้นะอัตตาหรือตัวกูเนี่ยเป็นบ่าวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวอันนี้พูดเนี่ยนะจริงๆต้องพูดถูกต้องว่าไอ้ความยึดว่ามีอัตตาเนี่ยนะมันเป็นบ่าวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวจริงๆอัตตามันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วนะเวลาเราพูดอัตตาตาเนี่ยเราพูดเราหมายถึงว่าความยึดมั่นในตัวกูหรือความยึดมั่นว่ามีตัวกูของกู นะซึ่งภาษาบาลีเขาเรียกว่าอัตวาทุปปาทานนะไอความยึดมั่นนะว่ามีตัวกูหรือความยึดมั่นในตัวกูเนี่ยนะมันสามารถจะเป็นบ่าวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวไดนะ้ถ้าเราใช้มันเนี่ยนะยังมีสติมันก็ทําให้เกิดการพัฒนาขึ้นมาได้ทําให้เกิดความขยันหมั่นเพียรทําให้ยออไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลส นะพยายามขยับกระจัดความทุกข์ออกไปกูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์โวยนะมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่จมจอมอยู่กับความทุกข์อันนี้เรียกว่าเราใช้มันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันใช้เรามากกว่าจริงจริงอันนี้รวมถึงสิ่งที่สืบเนื่องกับอัตตาหรือตัวกูนะเช่นความคิดเนี่ยไอ้ความคิดเนี่ยมันก็เหมือนกันนะความคิดมันเป็นบ่าวที่ดีเป็นนายที่เลว ถ้าเราใช้ความคิดเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้เป็นของดีแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเผลอปล่อยให้ความคิดมาใช้เราเราแย่นะความคิดมันสั่งให้เราคิดคิดคิดนะเราจะนอนอยู่แล้วนะแต่ว่าความคิดมันไม่ยอมหลับความคิดมันจะสั่งให้เราคิดทำให้เราตื่นเพื่อจะคิดคิดไปเรื่อยๆจนนอยไม่หลับจนกินไม่ได้ อันนี้เราปล่อยให้ความคิดเนี่ยมันมาใช้เราแล้วความคิดมันก็ใช้เรานะในการที่ไปด่าไปเล่นงานคนอื่นที่เขามีความคิดต่างจากสิ่งที่อยู่ในหัวเราเรามีความคิดอย่างหนึ่งนะแต่ว่าไปเจอคนที่มีความคิดอีกอย่างหนึง่งนะความคิดสองความคิดมันชนกันมันปะทะกันไอความคิดที่อยู่ในหัวเราเนี่ยมันไม่ยอมนะมันไม่ยอมที่จะแพ้ มันก็สั่งให้เราเนี่ยนะไปด่าไปวิจารณ์นะไอคนที่คิดต่างจากเราหรือคนที่เอาความคิดมาชนกับสิ่งที่อยู่ในหัวของเราเนะี่ยที่ผู้คนทะเลาะบอกแว้งกันพี่น้องทะเลาะกันนะลูกกับพ่อแม่ทะเลาะกันเพราะความคิดทางการเมืองที่ต่างกันหรือความคิดเกี่ยวกับทีมฟุตบอลหรือพรรคการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เป็นเพราะว่าจะพูดไปคือความคิดเนี่ยนะ ที่มันคลองจิตคลองใจเราเนี่ยมันสั่งเรานะให้เล่นงานนะให้เล่นงานใครก็ตามที่มาท้าทายมาสั่นคลอนไอ้ความคิดที่อยู่ในหัวของเรานะมันไม่ยอมเลยทีเดียวนะอันนี้อันนี้เรียกว่าเราเป็นค่ารับใช้ของความคิดนั้นแล้วที่แรกเนี่ยเราสร้างความคิดนั้นขึ้นมานะ เสร็จแล้วเนี่ยไอ้ความคิดนั้นเนี่ยมันก็มาคลองจิตคลองใจมาเป็นนายเราพอเป็นนายเราเมื่อไหร่นี่เราเดือดร้อนแลน้วนะใครที่คิดต่างจากเรานะใครที่วิจารความคิดเราเนี่ยเราจะไม่ชอบคนคนนั้นให้ไม่ชอบเนี่ยความคิดมันสั่งนะให้เราไม่ชอบความคิดมันสั่งให้เราวิจาร์ให้เราเล่นงานแต่ถ้าเรารู้ทันนะอ๋อเราก็จะไม่ยอมนะให้ความคิดเนี่ยมาเป็นนายเรานะ เ, เราจะรู้จักวาความคิดได้ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยพลาดท่าเสียทีกับความคิดที่มีในหัวเพราะมันมีความยึด่าเป็นของกูนะความคิดของกูนะพวกเราซึ่งทำงานเนี่ยนะอาจจะไม่มีผลประโยชน์เยอะแต่เราทำนะภายใต้แรงขับเคลื่อนของความคิดว่าความคิดของเรามันดีความคิดของเรามันถูกต้องไม่ว่าจะเรียกความคิดนั้นว่ามันเป็นอุดมการเป็นอุดมคติหรือว่าความรู้ทางวิชาการก็แล้วแต่ ความคิดของเราเนี่ยนะแม้มันจะดีมันจะถูกนะแต่ต้องระวังเนี่ยหลวงพ่อเฟืองนะหลวงพ่อเฟืองวัดหลวงพ่อหลวงพ่อหลว ง, งพ่อเฟืองออวัดธรรมสติติ์มั่งที่ระยองเนี่ยท่านพูดไว้ดีนะท่านบอกว่าความคิดของเราแม้จะถูกนะแต่ถ้ายึดมันเมื่อไหร่มันก็ผิดนะ นะความเพี้ยงเราเนี่ยถูกนะแต่พอยึดปุ๊บเนี่ยมันผิดเลยยึดว่าอะไรยึดว่าเป็นเราเป็นของเรามันผิดเพราะว่าไม่มีอะไรที่ยึดเป็นของเราได้นะแล้วมันผิดตรงที่ว่าพอยึดแล้วเนี่ยไอความคิดนะั่นมันมั น, ม, นมันเป็นนายเราละนะและมันจะทําให้มันจะสามารถจะสั่งให้เราทะเลาะ ก, กันนะเพียงเพราะคิดต่างกันก็ได้ วันนั้นเนี่ยเวลาเวลาเราเวลาเราทำงานเนี่ยนะก็ต้องก็ต้องระวังนะไอตัวตัวกูที่มามันในรูปของความคิดของกูความคิดของกูว่ามันดีมันถูกต้องลองเปิดใจให้กว้างนะแล้วเราจะพบว่าไอความคิดนั้นเนี่ยนะมันก็มีจุดอ่อนอยู่เสมอและไม่ว่ามันจะดีอย่างไรนะพอไปยึดปุ๊บนี่ มันจะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีู้จาจรัดไว้แม้กระทั่งว่าธรรมะที่พระองค์แสดงเนี่ยนะยึดมันถึงมันไม่ได้นะพระองค์เปรียบมือนก็ว่าเหมือนกับแพที่พาคนข้ามฝั่งธรรมะที่พระองค์แสดงเนี่ยนะมันเป็นเหมือนแพที่พาคนข้ามฝั่งเมื่อถึงฝั่งแล้วนะก็ควรจะเดินขึ้นฝั่งนะมีแต่คนโง่ที่แบกเอาแพขึ้นไปด้วยนะ ต้องวางแผ่ไว้ตรงนั้นแหละแล้วก็เดินขึ้นฝั่งไปเป่าเปล่ า, าตัวเปล่าเปล่าแล้วพระองค์ก็บอกว่าเนี่ยธรรมบาของพระองค์เนี่ยนะเป็นเหมือนแผ่ที่ไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้นภาษาอะไรก็อธรรมนะอธรรมยิ่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะผลยึดมั่นถือมั่นไม่ได้อยู่แล้วในเวลาพูดถึงความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเราก็จะยึดว่าเป็นตัวกูของกูนะเวลาพูดถึงตัวกูเนี่ยมันก็จะรวมไปถึงการยึดมั่นเสี่งต่างๆว่าเป็นของกูโดยเพราะความคิดทฤษฎีผลงานต่างๆ ผลงานก็เป็นอันหนึ่งนะที่ต้องวางนะหลายคนเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยก็ไปยึดว่าเป็นงานของกูงานของกูใครมายุ่มมาย่ามไม่ได้นะหรือว่าถ้างานล้มเหลวก็จะรู้สึกว่ากูล้มเหลวด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องปกป้องนะไม่ให้งานนี้ล้มเหลวนะใครมาขัดขวางการไปอุปสรรคก็ต้องเล่นงานต่อสู้เพราะว่าไปผูกติดยึดว่าเนี่ย ผลงานนั้นคือกูเป็นของกูและเวลา ง, งานมันล้มเร็วนะตัวเองก็ห่อเหี่ยวเพราะรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวด้วยอันนี้เป็นเพราะว่าไปผูกติดกับไปผูกยึดว่างานเป็นกูเป็นของกูหลวงพอมเขียนเนี่ยนะท่านก็ทํางานเยอะนะเกี่ยวเรื่องชาวบ้า น, นท่านก็สอนกรรมฐานด้วยแล้วก็ทํางานพัฒนาชุมชนไปด้วยที่ท่ามาไฟแล้วก็ที่นี่ก็สัก30ปีก่อน ท่านทำเยอะนะทำสหาหกรณทําศูนย์เด็กนะทําพุทธเกษตรเกษตรผสมผสานเคยมีนักพัฒนาเนี่ยมาถามท่านว่าหลวงพ่อคิดว่างานท่านสําเร็จไหมหลวงพ่อก็องตอบว่างานหลวงพ่อล้มเหลวแต่ตัวหลวงพ่อไม่ล้มเหลวคือท่านมองว่างานก็ส่วนงานนะ ไม่เกี่ยวกับตัวท่านนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะถ้า ง, งานล้มเหลวกูก็ล้มเหลวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะกุ้มหมกกุ้มใจนะแต่ถ้า ง, งานสําเร็จนะตัวกูก็ฟูฟ่องแต่ว่าพอมีคนมาตําหนิพอมีคนมาวิจารณ์ว่ามันไม่ได้สําเร็จอย่างที่ว่าก็โกรธนะเพราะว่ามันเหมือนกับลูกโป่งนะลูกโป่งเนี่ยพอมันถูกนะพอมันถูกเข็มจิ้มเนี่ยมันก็แตก แล้วยิ่งลูกโป่งเนี่ยมันมันมันใหญ่มากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งบอบบางมากเท่านั้นอย่าว่าแต่เข็มเลยนะแม้กระทั่งปลายย่าเนี่ยจิ้มนี่งทีก็แตกน ะ, ะคนที่เชิด ท, ท, ท, ที่เรียกว่าฟูฟ่องในความสำเร็จเนี่ยพวกนี้จะอ่อนไหวมากใครมาวิจารณ์นิดหน่อยก็ไม่ได้เพราะว่าอัตตามันพร้อมจะแตกทันทีนะที่ถูกทิ่มอันนี้เป็นพาอไปยึดว่างานนี้เป็นกูเป็นของกูนะ อาจารพุทธท่านบอกว่าเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยให้ยกผลงานเป็นของความว่างนะยกผลงานเป็นของความว่างนะอย่าไปยืดเป็นของกูนะเราจะเราจะมองเป็นความเป็นเป็นของเป็นของหมู่คณะก็ได้นะเป็นของส่วนรวมก็ได้เป็นของธรรมชาติก็ได้อย่าไปยึดว่างงานเป็นของเราไม่ว่าระหว่างที่ทําหรือว่าเมื่อทําสําเร็จแล้วนะ ยกผลงานเป็นของความว่างนะอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่จะช่วยลดนะให้อิทธิพลของตัวกูแล้วมันทำให้งานเนี่ยนะมันไม่เป็นนายเราคนเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้ทำงานนะงานมันทำเรานะคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ทำงานนะงานมันทำเรางานไม่ได้เป็นบ่าวของเรานะแต่ม็นเป็นนายเราคาว่าอิสระในพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ไม่ได้แปลว่าไม่ มันไม่ได้แปลว่าไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยอิสระแปลว่าเป็นใหญ่เมื่อใดก็ตามที่เราใช้ทรัพย์นะเราเป็นใหญ่เหนือทรัพย์เนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าอิสระเมื่อใดก็ตามที่เราทำงานและเราเป็นใหญ่เหนืองานนั้นอันนี้ก็เรียกว่าอิสระอิสระไม่ได้แปลว่าไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยนะแต่มันหมายถึงว่าเราเป็นนายถ้าเราเกี่ยวข้องกันแล้วก็ตามเนี่ยนะ เราเป็นนายมันเนี่ยอันนี้ว่าถือว่าดีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอไปเกี่ยวข้องแล้วนะมันเป็นนายเราทรัพย์สินก็เหมือนกันนะทรัพย์สมบัติเนี่ยเราไม่จะคิดว่ามันเป็นของเรานะเงินของเรารถของเราบ้านของเราแต่ทันทีที่เราคิดว่ามันเป็นของเรานะเราเป็นของมันทันทีเลยลองสังเกตดูนะ รถเป็นของเราแต่พอมีคนมาชนท้ายมาเชียวชนนี่โกรธเลยนะนะสามารถจะไปลากคอคนนั้นมาตบมาต่อยเสร็จแล้วก็เสียผู้เสียคนเพราะมีคนแอบถ่ายคลิปวิดีโอ <c oughs> เอาไปบรรจาร์หมดอนาคตเลยนะรถเป็นของเราแต่ว่าเรากลายเป็นของรถไปแล้วเพียงแค่มีคนมาเชียวชนก็ลืมตัวนะทำอะไรที่มันที่ต้องเสียใจในภายหลัง หลายคนคิดว่าเงินเป็นของเราแต่พอมีโจรมาปล้นเอาเงินมาหลายคนต่อสู้นะยอมตายเพื่อรักษาเงินนั้นนเอาไว้อย่างนี้แปลว่าเงินเป็นของเราหรือเราเป็นของมันนะเรายอมตายเพื่อมันได้หลายคนยอมตายเพื่อทรัพย์สินนะจะเป็นเพชพรพลอยนะหรือบ้านก็ตามยอมตายเพื่อมันเพราะอะไรเพราะไปคิดว่ามันเป็นของเราเพราะไปยม่มเป็นของเรา บางคนเนี่ยนะมีบ้านหลังใหญ่นะมีรถที่ราคาแพงเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่วันดีคืนดีนะบ้านถูกยึดรถถูกยึดทำใจไม่ได้นะฆ่าตัวตายอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่ามันเป็นของเราหรือว่าเราเป็นของมันนะพอมันถูกยึดนี่เราอยู่ไม่ได้แล้วอันนี้รวมไปถึงชื่อเสียงตำแหน่งนะ บางคนเนี่ยยอมนะยอมดินน้นรนยอมทำชั่วเพื่อจะได้ตำแหน่งสูงๆนะจะเป็นตำแหน่งทางการหรือตำแหน่งราชการก็ตามแต่พอพ้นตำแหน่งนะเสียสูนเลยนะเสียศูนย์เลยคนที่เป็นผู้ผู้ว่าราชการจังหวัดใหญ่นะพอกเกษียณนี่หงอยเลยหรือว่าเป็นรัฐมนตรีเนี่ยพอถูกเขายึดนะหรือว่า ถูกเขาอพอสูญเสียตําแหน่งเพราะการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยก็หงอยอันนี้แปลว่าอะไรนะแปลว่ามันเป็นของเราหรือว่าเราเป็นของมันที่จริงเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ได้นะทางวัตถุศาสนาเนี่ยไม่ปฏิเสธนะการมีเงินนะหรือว่าการมีตําแหน่งมีหน้าที่นะมีเกติยศแต่ว่าต้องเป็นนายมัน อย่ายอมให้มันเป็นนายเราจะทำงั้นได้ต้องมีสติและมีปัญญาเพราะไม่งั้นเนี่ยนะมันก็จะมาบงการจิตใจเราเกียรติยศตาแหน่งก็เหมือนกันนะเวลาเราได้มาเนี่ยก็ต้องต้องรู้จักมองว่าเออของพวกนี้มันไม่เที่ยงนะมันเป็นแค่หัวโขนถ้าเรามองเห็นธาตุแท้ของมันเนี่ยเราก็สามารถเป็นนายมันได้ เราู้วมันไม่เที่ยงเรารู้วมันเป็นของชั่วคราวเราไม่ยึดติดถือมันกับมันมากเรารู้ว่าเดี๋ยวมันก็สักวันหนึ่งมันก็ต้องไปจากเราอันนี้คือการใช้ปัญญาซึ่งทำให้เราไม่ยึดมั่นถือมันกับมันว่าเป็นของเราพอเราไม่ยึดมั่นถือมันว่ามันเป็นของเราเราก็เป็นของมันได้ยากเราก็เป็นอิสระอยู่เนือมันได้มานะก็ไม่ได้ยินดีแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธ แต่ก็รู้ว่ามันเป็นของแค่หัวโขนหลวงพ่อโตเนี่ยนะท่านเคยได้รับสมณศักดิ์นะเป็นสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารยนะ์ท่านก็ปฏิเสธนะสมณศักดิ์พว้นี้มาตลอดนะแต่ตอนหลังก็หนีไม่พ้นนะท่านก็ไม่ได้ปราบปื้มยินดีนะกับสมณศักดิ์มีคราวหนึ่งเนี่ยโยมนิมนต์ท่านไปไปเทศแถวราชบูรณนะ ลา บ, บุรนั้นก็ฝังทนนะ่นนะจะไปในในวัดนั้นได้เนี่ยมันต้องเข้าทางคลองเล็กนะจากคลองบงองเกากน้อยแล้วก็ลัดเข้าไปในคลองเล็กท่านก็ไปกับลูกศิษย์นะนั่งเรือสำปั้นไปมีท่านกับลูกศิษย์แล้วก็เอาพัยดยศไปด้วยเพราะเป็นงานใหญ่บอกว่าพอเข้าคลองเล็กเนี่ยน้ำมันลงนะเรือเนี่ยก็เข้าไปไม่ได้ก็ต้องมีการเข็นกันที่แรกลูกศิษย์ก็เป็นคนเข็น แต่เข็นไม่ไหวนะท่านก็เลยลงมาเข็นด้วยชาวบ้านมีบางคนเห็นนะก็เลยตะโกนเรียกกันป่าประกาศว่าสมเด็จเข็นเรือว้อยสมเด็จเข็นเรือว้อยนะเป็นเรื่องแปลกหลวงพระโตนี่นะพอมีคนพูดอย่างนั้นนะท่านก็เลยตะโกนกลับไปว่าฉันไม่ใช่สมเด็จจ้านะฉันชื่อครวโตจ้าสมเด็จอยู่ในเรือนะชื่อไปที่เรือนะ่ยชื่อไปที่พัดยศนะ คือท่านเนี่ยนะได้รับสมณศักดิ์เป็นสมเด็จแต่ท่านไม่ได้สําคัญมากหรากท่านเป็นสมเด็จนะต้องยังเป็นพระธรรมดาขรัวโตนะเชี่ยไปที่พัดยศนะว่านั่นแหละคือสมเด็จนะอันนี้มันสะท้อนถึงคนที่แม้จะได้รับมียศนะแต่ว่าไม่ยึดมั่นถือมันว่ า, ม, วามันเป็นของเรานะเขาเรียกว่าเป็นสมเด็จพระพุทธเจา้านะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้สำคัญมากหรอกว่ากูเป็นสมเด็จนะ นะกูก็ยังเป็นโครด์โตเหมือนปกตินะอันนี้คือวิสัยของคนที่เรียกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นนะในยอดศักด์ว่าเป็นเราเป็นของเราคนเราเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้มาเรื่อยๆนะแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นแค่สมมุตินะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถึงเวลาสูญเสียมันไปก็ไม่ทุกนะขณะที่มันมีอยู่กับเราเราก็ไม่เหลิองอันนี้แหละก็เป็นวิธีการ ลดละอัตตาอย่างหนึ่งนะคือเราก็ยอมรับว่ามีอัตตาแต่ว่าไม่ปล่อยให้มันมาคลองใจอย่างที่บอสนะคือตราบใดที่มีอัตตาอยู่ก็พยายามใช้มันอย่าให้มันใช้เราอย่ามาเป็นนายเร า, เาคำนี้เผื่เท่านี้นะกับพระ